ถ้าเป็นส่วนดีก็เรียกว่าบารมีสี่งทำดีทำดี ไ, ว, ไ ว, ว้ก็เก็บไว้เก็บไว้ทำชั่วก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นอาสวะอาสวะแปลว่านอนจมหรือหมักหมม อันนับว่าเป็นความดีความชั่วยอย่างละเอียดดังที่เรียกว่าเป็นนิสยัยเป็นอุปนิสยัยมีนิสัยดีก็แสดงออกมาดีมีนิสัยไม่ดีก็แสดงออกมาไม่ดีนิสายนี่เป็นสิ่งที ละเอียดเป็นที่อาศัยของทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วที่แสดองออกและเมื่อมีอารมณ์คือเรื่องเข้ามา ตะกที่นอนอยู่ก้นตุ่มนี้ให้ปุ้งขึ้นมาปรากฏอยู่ในจิตเช่นมีราคาก็รู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็รู้ว่ามีราคาเป็นต้น และเมื่อสิ่งที่ฟุ้งขึ้นมาจนจิตรู้ได้ดังกล่าวแล้วเมื่อแรงออกมาอีกก็เป็นยางหยาบ กอเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมถ้าเป็นส่วนดีที่เป็นบารมีปรากฏขึ้นมาส่วนนำให้เกิดเจตนาวามก็คือความจงใจทำทานบ้างสมาฐานศี่บ้างจเจริญภาวนาบ้าง ถ้าเป็นส่วนชั่วที่เป็นอาสวะปรากฏหยาบขึ้นมาก็กอเจ็นาด้วความจงใจให้กระทำกรรมที่เป็นอังุสลเป็นบาทผูจริญต่างๆเช่นให้ขาเขาบ้างให้ลักของเขาบ้างเป็นต้นจิตนี้ เป็นธรรมชาติอันสำคัญซึ่งทุกคนมีอยู่ด้วยกันและก็ประกอบด้วยส่วนดีและส่วนชั่วเป็นพื้นฐานดุลดีก็เป็นบารมีส่วนชั่วก็เป็นอาสวะ เนี่ก็อาสวะนั่นก็เปรียบด้วยตะกอนองคนตกที่ฟุ้งขึ้นมาก็ทําให้เนจิตที่เคยใสก็เปลนกลับกลายเป็นจิตขุนจนถึงกลับกลายเป็นจิตร้ายเ น, นเมื่ออาสวะที่ฟุ้งขึ้นว่าอันเป็นส่วนกิเลสนั้นแรงขึ้นจน ถ, ถึงก่ อ, อ ก, กรรมที่ไม่ไดีต่าง อาสวะท่านเปรียบดังนั้นส่วนบรรมีนั้นไม่ได้เปรียบด้วยตะกอนนอนค้นตุ่มมาเป็นฝ่ายดีแต่ก็มีนอนจมสังสมอยู่คุณฝ่ายดีแล้วก็เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็ก็ต้นเตือนให้วรรมีนี้ปรากฏขึ้นมาได้ และเมื่อแรงขึ้นก็ให้ทำดีเพิ่มเติมความดีเข้าในจิตอาสวะที่เป็นส่วนชั่วเหมือนฟุ้งขึ้นมาทำชั่วก็เพิ่มเติมอาสวะให้มากขึ้นในจิตแต่ว่าบารมีนั้นเป็นายที่กำจัดอาสวะ ฝ่ายที่ชำระล้างอาสวะในจิตเมื่อทำดีเป็นอาเมื่อทาดีเป็นบารมีตั้งอยู่ในจิตจิตเก็บดีเอาไว้ก็ชำระอาสวะที่เป็นส่วนชั่วคือที่เป็นตรร้นกรนี้ให้ลดน้อยลงไป บารมีก็มากเป็นทุกทีจนถึงเมื่อบองเป็นบารมีได้เต็มที่คือความดีได้เต็มที่แล้วกำจัดตะกอนข้นตุม่มคืออาสวะให้หมดสิ้นไปได้ก็เหลือแต่น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ตั่งแต หน้าตุ่มลงไปยนางหนก้นตุม่มตลอดหมดดังนี้ก็เสร็จกิจอันนี้ก็เป็นพระอราหันต์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์กายวารใจใหญตลอดถึงกรรมหมดทั้งส่วนตื้นทั้งส่วนลึกแต่ในขณะที่ยังมีอาสวะเป็ตนตะกอนก้นตุ่มอยู่ ก็ต้องทำความดีเพื่อชำระอาสวะรที่เป็นตะกรอนก้นตุ่มนี้ให้สิ้นไปโดยลำดับต้องเพิ่มเติมความดีอยู่เรื่อยๆไปการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติความดีดังกล่าวและการปฏิบัติ ในปิปทานนั้นสาสตร์สอนให้ตั้งสติกำหนดดูกายกำหนดดูเวทนาและกำหนดดูจิตและกำหนดดูธรรมะในจิตซึ่งมุ่งเป็นอันเดียวกันและธรรมะในจิตนั้นก็ มีทั้งส่วนที่เป็นกุศลทั้งส่วนที่เป็นอกุศลทั้งส่วนที่เป็นอันปอยากิคือเป็นกลางกลางและธรรมะที่มีอยู่ในจิตนี่เองเป็นข้อสาคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิบัต ไม่ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเป็นมีวนเป็นสัญญตทีทุกข์ให้เจ้าตรัสนิวรนไว้ในหมดธรดรมานุปัสนาตริปทาน เป็นอันดับแรกก็เป็นอคติแลธรรมที่เป็นข้อสำคัญที่จะทำให้ไม่สร้างสติกำหนดดูกายเวทนาจิตและทำเองเพื่อ ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่าจะชักนำให้ปฏิบัติเป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆให้คงติดอยู่ในกามกบุนอารมณ์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงไม่ตัดอนิเวนไว้นี่เป็นขอแรกและอนิอนนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนั่นเองไม่ใช่ที่ไหนแต่ว่าความมันเกิดขึ้นของนิเวนนั่นก็เกิดขึ้นโดยอาศัย ทางเกิดคือทางอายะตนะภายในทั้งหกอายะตนะภายนอกทั้งหกที่มาประจบกันเมื่อเป็นสัญญชต์คือความผูกพันยินดียิ น, ยนร้ายขึ้นก็ น, นำให้ พันอยู่ในกามะคุณอารมทั้งหลายในกามในพบทั้งหลายสาหากว่าไม่เป็นสัญญตนคือผูกใจให้ยินดียินร้ายก็ น, นำให้ปฏิบัติสงเวรหาพรหมจัก คือความมุ่งมันอันเป็นเสด็จอันเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นยงในตรัสขันห้าในตรัรหมวดอาอยณ า, าภายในภายนอกตืดต่อกันไป เพราะเหตุที่อันความมันเกิดขึ้นของนิวรณหรือความดับไปของนิวรณ น, นั้นก็เกิดขึ้นที่ขันห่าดับไปที่ขันห่าอันเริ่มด้วย กายเวทนาหรือรูปเวทนาและเมื่อมีรูปมีเวทนาแล้วก็มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีความประจวบขันของอาชจรรยดังกล่าวนั้น รำให้เกิดอารมณ์แก่จิตใจมันเป็นธาดรู้ที่สำคัญและจิตใจนี่เองเป็นตัวที่ข้องติดอันเรียกวสัญญอไม่ใช่อื่นคือจิตใจนี่เอง ความสำคัญยังอยู่ที่จิตใจและสัญญอันอาศัยอาจิตนาและก็เกิดทางขันห้านั่นเองตัวขันห้านั่นเองนั่นเป็นบีบาขันซึ่งไม่ดีไม่ชั่วอะไร ต่เป็นกลางกลางแต่ว่าความมันเกิดขึ้นของทั้งดีทั้งชัว่วนั้นก็ต้องอาศัยขันห้าเหมือนอย่างเช่นว่ามือของเราทุกคนนี่ก็เป็นรูปประคันเมื่อจิตประกอบด้วยกุศลธรรม ว่าใช้มือนี้เองทาบุญต่งตางๆเห็นว่าใช้มือนี้ตักข้าวใส่บาตรใช้มือนี้ทำกิจการที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือต่งตางๆตัวมือเองนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่บุคคลผู้ทำไม่ใช้มือทำบุญบุคคลผู้ทำก็เป็นบุญ ระบุคันผู้ทำนั้นเมื่อผู้ในลึกซึ้งเข้าไปตวิจิตนี้เองจิตเป็นบุญเมื่อใช้มือทำบุญแต่เมื่อจิต ป, ประกอบด้สัญญา น, น์อันเป็นทำให้จิตใจนี้ร้ายจะใช้มือนี้เองก็ใช้มือนี้เองทำร้าย เป็นบัตรถือมีดถือถือมีดถือไม้ประหัประหารทํำลายผู้อื่นตัวมือเองที่ถือมีดถือไม้ทํำร้ายนี้ก็ไม่เป็นบุตรเป็นบาปยังบุคคลผู้ที่ใช้มือใช้ใช้มือนี้ประหัประหารผู้อื่นทำลายผู้อื่นนั่นเองเป็นบาปโดยตรความคิดนี้เองเป็นบาป เมื่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้วันนิวรข้อนี้มันเกิดขึ้นการมฉันเกิดขึ้นก็รู้พยาบายเกิดขึ้นก็รู้อีกสามข้อเป็นตัวโมหะมันเกิดขึ้นก็รู้บุคคลย่อมรู้ได้ที่จิตนี้เอง และอาการที่รู้นั่นก็อาศัยขันห้านี่เองเป็นทางรู้และขันหานั้นก็้องอาศัยอายอยาตนะภายในภายนอกนี่เองเป็นทางเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทวารทั้งหกประตูทั้งหกประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูเิ่นประตูกายประตูใจเปิดรับ รูปเสียงเรื่องรถโภชภัณฑ์ธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายจิตก็รับเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องที่จิตคิดจิตดาริจิตบกมุ่นถึงเน้อเกิดผูกพันขึ้นมาก็เป็นสัญโญาตผูกพันยินดีผูกพันยินร้ายก็เป็นสัญญาตเมื่อผูกขึ้นดังนี้น้อยจนเป็นโตรีวร คือเป็นกามาชันบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นโมหะหรือความหลงคืออีสามพ่อข้างหลังนั่นบ้างะฉะนั้นตัวผูกนี้จึงเป็นตัวสำคัญใ น, นเรียกวประสิโยชย์ถ้าจิตไม่ผูกจิตปล่อยเช่นเมื่อตากับรูปประจวบกันจะเป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นจิตรู้ วันนี้รูปและจิตก็ปล่อยไม่ดีดีอรในรูปนั้นก็ไม่เป็นสัญญาตเมื่อมันเป็นสัญญนตีวอนก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทูตพระเจ้าจึงได้ตรัสแสดงหมวดนิวรณ์หมโดขันห้าแล้วก็หมโดอาริยธรนะ เพื่อให้กาหนดรู้จักเป็นดูสติที่รู้จักรู้จักแล้วมปฏิบัติในการที่จะดับสัญญ์กับนิวรณ์โดยอาศัยใช้สติกำหนดดกูกายเวทนาจิตธรรมให้เืนเก็ตให้เห็นเกิ ด, ใ ห, หกดให้เห็นดับ งกิต้องใช้สมปทานทั้งสี่นี้ในการปฏิบัติต่อไปนี้ผมขอให้ตั้งใจทางส่วนและตั้งใจความทุงสุดสบายไม่มีส่วนบัดนี้จักสแสดงธรรมะ เป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการประภูมิประพาทอรหันตสมาสุติจาระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ ร้อมทั้งระธรรมและประสงค์เป็นปรรณะตั้งใจสังมลกายวาจาัยให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายสมปทานศี ซึ่งด้เดิมประรบไว้แล้วะมาปประัานั้นแปลเพื่อเข้าใจง่ายว่าความเพียรชอบและก็มีความหมาย ใช้คำว่าประธานะหรือประธานว่าตั้งความเพียรชอบไว้ในเบื้องหน้าคือในอันดับหนึ่งเหมือนอย่งประธานในที่ประชมุมเป็นที่หนึ่งในที่ประชมุม ความเพียรที่จะเป็นประธานนั่นจึงเป็นความเพียรที่พึงเริ่มทำม่ทันทีไม่ผัดเคี้ยน ก็มีความหมายถึงด้วยว่าตามกำหนดที่ได้ตั้งใจไว้เช็นในขณะนี้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะมาทาความเพียรวางในปฏิมิธรรมเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ ต้องถือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นที่หนึ่งจึงมากันได้ถะาหากว่าไม่ได้ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่จะต้องทำในเวลานี้ก็จะมีเรื่องอื่นที่จะทำเข้ามาแทรกแซง ดึงไปให้ทำเรื่องนั้นๆเมื่อเป็น่ังนี้ก็เป็นอันว่ามาฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมในเวลานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยินแค่คำมาประธานนะหรือประธานตั้งความเพียรที่จะทำไว้ทันที ซึ่งเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็มีสี่สังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นประหานประทานเพียละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรทาสน ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสี่อนุรักษณาประธานเป็นรักษาอุสน้เกิดขึ้นแล้วไว้และเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นจนบริบูรณ์และพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ทุกข้อว่าให้ตั้งชันทะ คือทำชันธะความพอใจให้เกิดทำความเริ่มคือเริ่มทำความเพียรยังความเพียร ตั้งจิตคือเอาจิตใจตั้งให้แน่วแน่เพื่อจะทำเพียน ความเพียรไว้ข้างหน้าคือเริ่มทำและทำติดต่อกันไปจนบรรลุถึงผลที่ต้องกาสรสมปรทานทั้งสี่นี้ แสดงไว้ในหมวดโพธิปธัฏฐิธรรมธรรมะที่เป็นายแห่งความระสรูเป็นหมวดที่สองคือต่อจากสติปัฏฐานอันได้แก่สติปัฏฐานสี่ แล้วก็สัตว์สมบประทฐานสี่ต่อกันไปหากจะแสดงให้เลื่อนกันก็เพิงแสดงได้ว่าตั้งสถิะฐานทั้งสี่นั้นเป็นหลักและในการปฏิบัติสถิตฐานทั้งสี่นั่น จะต้องอาศัยสมประทานทั้งสี่นี้คือตั้งความเพียรชอบนี้ในการปฏิบัติสติปัฏฐานยกตัวอย่างดังข้อที่หนึ่งสัง ว, งวรประทาน เกียนระวังบาปอังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็คือในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นยกตัวอย่างในปภพระคือข้อที่หนึ่งในหมด ที่หนึ่งคือหมวดกายานุปัจนนาทิปถ่านตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือตั้งจิตให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ในการนี้ก็ต้องมีสังวรประธานคือระวังนิบอนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะธานีบอนคนใดคนหนึ่งมันเกิดขึ้นก็จะดึงอิตให้ตกจากสติประทาน น้องไปตามนิวบต